ฟังทำกันทุกวัน <c oughs> ปฏิบัติทำกันทุกวันมีสติทุกโอกาสอยให้มันขาดแขนที่พูดก็เพื่อเป็นสิ่งเวทล้อมให้กับผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติก็ได้สิ่งเวทลอ้อมเนื่องจากคาพูด ไปยินไ้ฟังพวกเราก็เป็นเป็นเพื่อนกันมีพิธีกรรมทำวัดเชา้าทำวัดจย็ให้เป็นการปฏิบัติอย่าให้เป็นเพียงรูปแบบอย่าเอารูปแบบมาเป็นใหญ่เป็นโตใช้รูปแบบเป็นตัวปฏิบัติบางที่บางแห่ง ตีละคังลงรมวัด ต, ตีละคังลงปฏิบัติตีละคังลงเดินจงกรมพอเดินจงกรมพอปฏิบัติแล้วก็เลิกกันไปแต่มีเวลาปฏิบัติก็มีเวลาอยู่ในทางเดินจงกรมมีเวลาอยู่ในรูปแบบไปนั่งรวมกันที่ศาลาเพราะนั้นมัน ใช่ไม่ได้เราต้องเป็นตัวปฏิบัติเราต้องจัดการจัดสรรให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกตัวไม่ใช่ระคังสัญญาณบอกจะลุกจะตื่นก็เช่นกันต้องลำดับลำนำโมนดดี่แหลมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดหลายๆยอย่าง ที่จะให้เลยไม่การผิดพลาดอาศัยวางแผนให้ตัวเองให้ให้มีโอกาสเจริญสติเหมือนคนทำงานทำการเรามีงานมีการแล้วยังไม่พอยังวางงานให้คนอื่นทำเราก็ทำงานได้สำเร็จ อ น, นอะไรที่ควรใส่ใ จ, จใส่ใจให้ผ่านเป็นช่วงเป็นทางไปการเจริญสติก็ใส่ใจลงไปใส่เจตนาลงไป <c oughs> ใส่การกระทาลงไปใส่ความเพียรลงไปเพิ่มศรัทธาลงไปสำรวมอินทรีย์ลงไปมีศีลลงไป มีสมาธิมีปัญญามีกัลยาณธรรมมีสติมีเมตตากรุณาเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างเหล่าพระสา ว, วกเอาอย่างครูอาจารย์เอาอย่างกัลยาณมิตรนะมันเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี กำลังใจนี่พยายามเพียนพยายามลักษณะปิยามระาตท่าทางหน้าตา ย, ยิ้มแย่มแจ่มใสจิตใจสุขุมโลบขรอบสุขุมโลบขรอบหลายลายอย่าง ที่ประดับตกแต่งก็จะให้เกิดพลังแห่งขับเคลื่อนในการปฏิวัติธรรมแต่ถ้าเราไม่มีหลายๆอย่างมายกมือช่างจังหวะมันอ่อนมันยากแต่ยกมือช่างจังหวะที่นึ่งนะโยห่องเอาห้องนอน ปืดหนักเหมือนป่นเขกขึ้นเขาตัวปริาติจริงมันต้องมีพลังห ล, หลายอย่างเสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดการสะดวกเร่งง่ายทำความดีเนี่ยบางทีก็ยากถ้าทำไม่ถูกจังหวะทำครบชั่วขก็ง่ายถ้ามันมีสิ่งไวลรอมที่ช่วย นี้วก็เวลาปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติขณะที่เจริญสติเรพยายามเสริมเข้าไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆป้อนตัวเองเดิมดำเข้าไปกระพวงรู้สึกตัว เพิ่มกขไปเพิ่มเข้าไปพไปออบพอใจในการกระทาโดยสม่ำจะฝืนอีิปริบัติทาต้องฝืนเลยต้อง้หรือไม่ได้สู้เลยไม่ได้ฝืนอะไรทำให้ไม่ทันเรารู้จุดตัวศรัทธามันมากวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงมันหมดไปเท่าไหร่บางทีเวลาทาความเีย์เนี่ย ถ้าจิ้มข้าวไม่เป็นของจะดีถ้าถ่ายถ้าไม่มีอะไรเลยของจะดีจะได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่มันคิดแบบนั้นนะไอ้คนมา่วนไปน่นไปนี่อรอเสียดายเสียดายยกมือไหว้ขอไปขอความรดนาอยาให้ผมไปเถอะ บางทีบางคนกว้วจะเขาจะไม่มาชวนกล้วจะเขาจะไป ม, มาเล่นด้วยถ้าเขาไม่มาเราก็ไปเองอนั้นมันก็ไม่ไหว <c oughs> สันโดษยินดีในเสนาชนะอันสงบอันสงบพอจะลบจะหลีกกันได้ก็ห ล, ลบหลีกกัน อยู่อาศัยก็เช่นกันชวนกันคุยชวนกันหลงนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องเพียน <c oughs> เพียนนี่มันเพียนด้วยความพอ อ, อพอใจแต่เพียนด้วยการบังคับเพียนด้วยเกรงอกเกรงใจไม่ใช่เป็นเรื่องของเราการปฏิบัติ นี่สติที่ไดละนันพออกคอยใจสุดหัวใจอะไร ย, ยกมือสร้างจังหวะอะไเดินจงกรมอะได้เส้นทางของตนของตน <c oughs> มันก็พมิใจเวลาใดที่มีสติกับเวลาที่มันลงก็จะเว่ามีฝีเล เะไาใดมันหลงมีสติมีฝีมือยกนิ้วให้ตัวเองมันจะเป็นอะไรที่มันจะออกไปทางอื่นมีวัตถุอื่นที่ชนให้หลงหลงในความรู้สึกตัวมีฝีมือเนี่ยเว่ายกนิ้วเราจะว่าว <c oughs> ยกนิ้วอ <c oughs> ันหลวงพ่อไปซ่อง ลดเสาอากาศเอาเท่าแก่เขาโอ้เขาเจาะรูโวเลยมันทำไมจะทำได้ดนะ้วยเนี่ยแล้วก็ไปบอกลูกนอก้องคนทำเลยเน่เขาก็บอกอผมจะทำดูเขาก็วางแขนไม่ใช่สูตรสำเร็จเขาคิด้นคิดนี่ จับน็อตตัวโน้นจับน็อตตัวนี้ไปคลึงเกลียวตัวนั่นไปครึ่งเกลียวตัวนี้มาปะมาใส่ฟอ ง, อ ง, องฟางแผนสำานั้นอันนี้เ้าเขาก็ทําไปทําไปด้วยความินเยี่ยมแจ่มใสเอามาใส่ใส่ไม่ได้เอาทําไม่อีกทไปทําไปไม่นานเสร็จพอเส็จแล้วเขาก็มาใส่เขาก็ยกนิ้วให้ด้วยดีดนิ้วมืตัดนะ คนที่เป็นอ่นั้นบะการทำงานทำการบางคนก็ทำความสำเร็จยเยอะแยะมาค้าขายประกอบอาชีพ <c oughs> อะไรต่างๆเข้าเป่าทำงานเข้าเป่า ทำงาเข่าเป่าก็ได้เงินเยอะหมืนโรงงานน้ําตาลภูเขียวอุน่วยการเขาบอกเข่าเป่าพที่หลวงพ่อเข้าเป่าห้ อ, อยเต็มโคตา้าล้นโคตา้า <c oughs> แล้วเขาก็ได้เงินเยอะลูกน้องก็ได้เงินหัวหน้าส่วนต่างๆ แต่ปีนี้มันแรงในช่วงต้นฤดูฝนปลูกอ้อยมันก็พูดไปนอกเรื่องไปมันเปลนใชัไมขอบันทีเลยรไม่ยากด้วการปฏิบัติธรรมของมันนานะแต่เริ่มต้นก็เริ่มต้นให้มันถูกถูกถ้าเล่นก็เล่นนะถ้าเล่นก็นจะเล่นตลอดไป ตัวเองไว้เสมอใส่ใจช่วยโอกาสเพิ่มเติมปฏิบัติธรรมเก็บเอาใจ น, น่อนเก็บเอาใจนี่ความรู้สึกตัวเก็บตกแก้โรคตายแก้โรคส้มมันมาโรคตายเราแก้มันฟื้นขึ้นมามันจะหลงวัตถุที่ทำให้หลง เราก็หลงไปว่างก็แก้ได้ให้เขาลุยจักตัวแก้ได้มันก็เล่นกีฬาขุดบอลตะก้อมาลูกตายมาลูกสม้มามาลอยมาลอยๆอยมายังไ้เอาว้ใช้กีฬาข อ, ของเขาแก้ได้ ความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาไม่มาซื่อๆตรงๆมันมาแบบจู่โจมอะไรู้สึกตัวทันทีแก้ได้ทันขวัญในฝีมือยกขึ้นมารู้สึกตัวควรที่จะหลงกลายเป็นความโลภคันที่จะผิดกลายเป็นความทุกข์ควรจะทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ มนและคฝีมือของนักปฏิบัติก็มีความรู้ยสุตัวแล้วเราก็มีหลักจริงๆการปฏิบัติหลักของเราก็ไหนฝีมือสร้างเรียกว่ามีอารมณ์ด้วยเป็นหลักเหมือนโพูดกับเมื่อวานมันได้หลักได้ที่แรกก็มีนศรัทธา โดยมีความเขียนมีสติร้านสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมูไปดูมามันได้เห็นโลกเห็นนามเห็นลูกเห็นนามนนนา ม, มันก็ได้เครื่องมือมาแก้มาไขมันคนไปลื้อรถส่องรถสร้างบ้านสร้างเรือนมีเม็ดไม่สิวไม่ค้อนไม่ขวนตรงไหนที่จะจบอะไรก็จับเครื่องมือมอาใช้ ตรงไหนที่จะเลือ่อตรงไหนก็เอาเพิ่งมไ <c oughs> ว้ใช่การได้อารมณ์ของกรรมาฐานก็เช่นกันเอามาใชา่แต่ก่อนเราเรียนรู้ใช่ไม่เป็นศรัทธาบุริยะสติสมาธิตัญญาที่เป็นพลังเราเรียนได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช่ใช่ก็ใช่ไม่เป็นใช่ก็ใช่ฟุ่มเฟือยกองกันไว้ ไมนจำเป็นเอามาหยิบมาใช้เล็กๆน้อยๆเห็นลูกทำนามทำบนเห็นบาปเห็นศาสนาเห็นพุทธศาสนาเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นวิธีดับทุกและดับทุกได้เล็กๆน้อยๆไปมันต้องดับได้นะทุกความโลภความโกรธความหลง ก, ก็ดับได้ แก้ได้นะอารมณ์โลกอารมณ์ของกรรมาฐานมันเพื่อการนี่โดยตรงกระตือเรอร่นตื่ะใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือลูกมันก็บอกนามมันก็บอกธรรมชาติอาการมันบอก ฝ่ายอุศสคือมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาฝ่ายอัุศลนก็คือความหลงม่มีสติคงแตงไม่สวมลูมคงสา่นกัจบาทห่วงซึ่ง ม, มันฝ่ายอัุศล ร็ดูจักชัดเจนมันมิตรกับศัตรูกัญญาณมิตรอยู่ที่ไหนศัตรูหัวอะไอยู่ตรงไหนรู้ลึกลีกร่วมกับกัญญาณมิตรกัญญาณธรรมมีกติแล้วก็เห็นแจ้งใน อารมสิ่งนี้มันเกิดอย่างนี้อย่างนี้สิ่งอันนี้มันเกิดอย่างนี้อย่าง น, างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันไหนที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อันไหนที่ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ผมทุกข์มก็ใช่ไม่ได้มันก็หยิยบอันความไม่ทุกข์มัใช่หลุดไป หลุดไปได้ในฝีมือคนที่ปฏิบัติธรรมมันมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงหายไปมันก็ต่างกับความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่หรือไ่หายก็เบาบางลงไม่เป็นภาระมาก วอนมาก่อนไนกุศลมีอกุศลที่บอกทางเราในระหว่างกุศลกับอกุศลอยู่ตรงที่เดียวกันเกิดที่เดียวกัน แต่ว่ามันไปคนละทางน้นทางสีแง่แแห่งห้าแแห่งมันอยู่ที่เดียวกันแต่มันไปคนละทางเราก็ตั้งต้นที่เหตุที่ดีที่สุดเอนย่ยำที่สุดไม่ไปทาง อ, อกุศลไปทางกุศลความรู้เป็นกุศลความหลงเป็น อ, อกุศลความทุกข์เป็น กุศลความไม่ทุกข์เป็นกุศลมันเกิดที่เดียวกันแล้วมันก็เกิดจากการกระทํามันก็เป็นบาปแล้ก็เป็นบุญจริงๆแล้วก็เห็นจริงๆไม่ดือ้อแต่ก่อนเราไม่เห็นพราไม่เห็นเราก็จะว่าเราดื้อก็ไม่ใช่เราไม่รู้ พอได้เราเห็นพอเราเห็นเราไม่ดื้อไม่ดื้อทุกไม่ดื้อหลงไม่ดื้ไม่ดื้อโกรธแต่ก่อนเราไม่รู้พอมาเห็นแล้วเราแล้วว่าโซวะโจว่าง่ายสอนง่ายง่ายกว่าเก่าไม่ไปทางโน้นมาทางกุศล ความรู้สึกตัวมีสติมีความเขียนมีศรัทธามีการสำรวมมีเมตตากรุณามีความสันโดษพออกพอใจนั่งอยู่นี่ก็พอใจเดินอยู่นี่ก็พอใจรู้สึกตัวอยู่นี่ก็พอใจพอใจในการกระทําของตนเอง ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคนมีสติคนทำความดีคนละความชั่วคนมีสีนีน่มันมีอารมณ์อารมณ์ก็ช่วยเราประครับประครองในการปฏิบัติแล้วมันก็บอกเราจริงๆแล้วตัวเรานี่แหละบอกเราผิดโทกพะเราผ่านมาความผิด เคยเห็นมาความถูกไม่ค่อยเห็นสมัยก่อนตอนนี้มันเห็นความถูกมันเห็นความผิดมันเห็นความทุกข์มันเห็นเหตุให้เกิดทุกข์มันรู้จักวิธีระงับทุกข์แต่ทำความทุกข์ดับไปหลายครั้งหลายหนแล้วมันก็เคยขินเป็นนิด็ดใสขึ้นมา นิสัยขึ้นมีนิสัยที่จะทำความทุกข์มาให้มีความทุกข์ทำความหลงมาให้มีความหลงทำความโกรธมให้มีความโกรธมาได้นิสัยแบบนี้แล้วก็ปฏิบัตไปเรื่อยๆมันก็ผ่านไปเรื่อยๆทำอย่างเดียวมันผ่านหลายอย่างแต่ก่อนทำหลายอย่างมันผ่านได้น้อยผ่านได้บา เรามีสติแล้วก็ตัดช่องเ น, น้อยมีสติอาจจะยังไม่มีศีลมีสมาธิยังยังไม่มีปัญญาอาจจะยังไม่ได้ละความชั่วมันพร้อมที่จะทําความชั่วเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นการทําใหม่ๆเพราะวที่จะหลงเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นพอทําไปจำเร็จจานานแล้วทําเท่านี้แต่มันได้ประโยชน์เยอะ มันขดวันพอค้าลงปูดเทียนันบอกว่าไปนั่งกินกาแฟด้วยกันชั่วโมงหนึ่งก็ได้เงินเป็นแสนแล้วเป็นล้านแล้วก็ไม่วันทีแล้วไม่ทำอะไรไปนั่งกินกาแฟคุยกันจบลงกัน ซืขายกันผมไม่ฝ่ายอยู่เทราะนั้นตันเท่านี้นตันผมซื้อมาตันละเท่านั้นบาทจะให้ผมตันละกี่บาทก็เพียงกินน้าชาคุยกันก็ไปคุยกันได้เงนินแล้วล้วก็จ่ายเงนินแล้วเขาก็เอารถไปทุกเอาเองมันสะดวก <c oughs> ถ้าเป็นพ่อข้าเต็มตัวของคอนก็ไม่ต้องสร้างยุ่งสร้างฉาบเขาก็คุยกันอาในข้าวอยู่ที่นั่นจีกระสอบหลงเสียนั่นจีกระสอบหลงเสียนี่นจีกระสอบหลงสียนนท์จีกระสอบรวมเป็นจีกระสอบพอนั่นเรือใหญ่จะเข้ามาเอาข้าว แล้วก็บอกเอาข้าวไปลงเรือเอาไปเท่านั้นสอบกิโลละได้กําไรกิโลละสตางค์สองสตางค์แต่มันจํานวนมากเราเอาไปเราก็สะดวกเขาเป็นพูกค้าแต่เราเนี่ยตัดมันทั้งวันขุดอ้อยตัดอ้อยทั้งวันขุดมันทั้งวันทำ ง, งานทําการมันก็ยังไม่พอ คนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทังข่าวมันสะดวกเขาเรียกว่าสะดวกวิ่งเอาวิ่งเอาเหมือนรถที่วิ่งทางนั้นคนประสานพาหลวงพ่อมาจากประยองวิ่งทางมอตอรเววิ่งเอาวิ่งเอามันได้โอกาสคนปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสมันต้องมีโอกาสแน่นอน การบรรลุธรรมนีแต่ความสะดวกเปิดทางให้เราเสมอเรียงนั่นนั่นความชั่วเราก็ละออกมาแล้วความทุกข์เราก็ละมาได้แล้วความรังเลยสงสัยเราก็ละมาได้แล้วความงงงอหอนอนเราก็ละได้มาได้แล้วพระจ้บาทกามรมละคะทั้งอ่าผีนามิทาอะไรเราละมาได้แล้ว ถึงที่เราไปทะลุกขาเห็นเราเห็นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งอย่างานั้นตรงไหนที่ไม่ลู่เราลู่แล้วแต่ก่อนเราไปลู่ลู่ลูนะ่นะวันนี้เราลู่แล้วนะมันสะดวกแพงแต่ลู่สืบตัวกับไปหลอ่ะย่างความชั่วทําความดีกิดบริสุทธ์นะ เป็นศีมเป็นสมาธิเป็นปัญญาจริงๆงเป็นกุศลละอกุศลจริงๆริงไม่มีบาปไม่ทำบาปมาหลายเดือนแล้วหลายวันแล้วทำแต่ความดีมาหลายวันแล้วหอนคนสุบุรีเลิกสุบุรีปิ่มตัวก็ไม่มีแล้ว บริสุดธ์สาดมาหลายวันแล้วลมหายใจก็สะอาดหลายวันแล้วแปรงฟันทุกวันฟันก็สะอาดมาหลายวันแล้วสะอาดถึงที่สุดละความชั่วถึงที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นมามแล้วก็มีอีกหลายหลายอย่างที่มันจะดีที่สุดใจเช่นกันกันเรื่องสุขภาพร่างกาย เรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องนมามธรรมก็ยิ่งไปกันใหญ่อตอนปฏิวัติธรรมนมันเป็นไปทํานองนั้นนี่ศินอันยิง่งแต่ก่อนศีลธรรมดามันไม่ศีลอันยิง่งแต่ก่อนก็มีสมาธิธรรมดานี่สมาธิอันยิง่งแต่ก่อนก็มีปัญญาธรรมดาแต่ต่อมา ม, มีปัญญาอันยิง่ง เป็นศีลขันทีเข้าไปเป็นสมาธิขันนทีเข้าไปเป็นปัญญาที่ขันันทีเข้าไปผลละไปกามมิสะวะมัละกามภาวสะวะมละภพไม่มีภพอวิชชาสะวะมันไม่มีอวิชชาในความรู้รู้ปร่งใสนะ <c oughs> เหมือนคนทางานทำงา น, นปัดมือสะอาดปิดตัเคีราได้สบายเคยมาตรวจสอบก็วางปุ๊กวางปุ๊กก <c oughs> ารปฏิบัติทำเครื่องกันตรวจสอบบริสุดธบริสุทธิ์บริบูรสิ้นเชิงมันมีโอกาสเกันนะการเจริญสติเนี่ยวันนี้มันเป็นอารมณ์ ของการปฏิบัติมันก็เกิดอนนี้สงแกตผู้ปฏิบัติไม่มีอนนี้สงอย่างไรเป็นความหลงเนะ่ยมันกลายเป็นความรู้ไปแล้วความโกรธกลายเป็นความไม่โกรธไปแล้วความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ไปแล้วมันอยู่คนละภพละชาติแล้วความเกลียดชังความอิจฉาพยาบาทมันลืมภพลืมชาติไปแล้วเนี่ย แต่ก็ยังมี <c oughs> ยังมีไออุ่นยังมีข้างขางยังมีกระแสพอทําไปต่อไปมันไม่มีแล้วไออุ่นก็ไม่มีเลยถ้าเป็นฐานก็เย็นแล้ววางเสร็จตักวางใส่ขาอ่อนก็ได้ถ้ามีไออุ่นก็ตื่นหน่อยๆความโกรธ ปวดโลกกมหลงกิเลสตัณหามีไออุ่นสะดุ้งสนอนเพรมันเย็นลงแล้วนะมันถ่านไปที่มันเย็นแล้ววางเสยขาอ่อนมันก็ไม่ต้องสะดุ้งตาเห็นลูกหูได้ย็นเสียงจมกูกได้สิ้นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดมันเย็นแล้วแต่ก่อนตรงนี้มันไม่เย็นมันร้อน หลังที่พุทเจ้าจแสดงธรรมอธิตตะเรียยสูตรตาหูจมูกริมกายใจลูกรถกลิ่นเสียงมันทําให้ร้อนทําให้ร้อนมันนอนไม่ลงสอกสอกสอกสอกมันหยุดไม่ได้มันรับใช้มันเป็นทาสเขาสั่งงานสั่งการมันเป็นทาสตอนนี้เราเป็นนายขึ้นมาเนี่ย มันไม่มีสิทธิแบบนี้แต่ก่อนเราไม่มีสิทธิในความร้อนเรากลายเป็นความร้อนในความหนักเรากลายเป็นความหนักวันนี้เรามีสิทธิในความร้อนเราไม่มีเรามีสิทธิที่จะไม่ร้อนในความทุกข์เรามีสิทธิที่จะไม่ทุกข์อันนี้นะตัวปฏิบัตินะ <c oughs> เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานมันได้อารม มันได้สูตรมันได้หลักจะมองลงไปเป็นต้นเป็นก้อนตาที่มันก็เป็นวัตถุจะมันเห็นได้มันก็เป็นอาการมีวิญญาณวิญญาณล้นล้นไม่มีอุปท า, านแล้วก็ใช่สําเร็จประโยชน์เพื่อบรรลุทำทางตาบรรลุทำทางหู มันรู้ทำทางเขมกทางกลิ่นแต่ก่อนมันเป็นโลกวักนนี้มันบรรลุธรรมเพราะเรื่องโลกสักมีโลกรักษาโลกหายโลกของตาของหูตัวโลกคือลูกคือรสชาติหูมันมีรสชาติหูกับเสียงมีรสชาติ สม ก, กับกลีบมันมีรสชาติรักษาโลกอันนี้มันหายมันก็เลยไม่มีรสมีรสอันเดียวสพัพพะรดสังธัปตะรดโสมีรสพัทธรรมไม่ใช่รสตารสหูสมอ ก, กรื่นกายใจลูกรสกลิ่นเสียงมันก็พ้นไปคำนองนี้การปฏิบัติธรรมนะ มันก็ต่างเก่าร่วงพ้นภาวะเก่าจะไปคิดว่ามันจะโู่นโน้นลอวนนี้นอกตัวไปไป่หนวันละุทำแล้วท้องจะเป็นจากนั่นจากนี้มีลิ์ปีอภิิหานแล้วคนเราก็มองไว้างตดองนั้นจะให้บอกเลขบอกหน่วยจะให้มีิทธิ์ท่ยิงไม่แหงแทงไม่เข่า เินเดินฟ้าโอเคเพระมองลึกลับไปเช่นวันหนึ่งมีชาวต่างประเทศม า, ามากติลหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกสันธนากับเขาที่ต่อก็บอกเขาออกไปศาลาไปพบกันที่ศาลาหนะ้าเขาเดินไปออกก่อนหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เดินตามหลังเขาไปแต่เข้าคนรับประตูหลาเข้าประตูทางด้านทิศเหนือหลงพ่อเข้าประตูทางด้านทิศใต้แต่เขาก็ไม่ดูหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปนั่งก่อนเขาเขาทั้งที่เขาเดินไปก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อไปนั่งสลาก่อนเขาเขาไปนั่งสลาหลังหลวงพ่อพอไปนั่งสลาก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่อ๋อหลวงพ่อทำเพื่ออะไรเขาก็ เรื่องว่าหลวงพ่อเนรมิตตัไอ้เทียนมันก็เดินตามหลังกขาไปนั่นละนะโอ้เป็นไปได้เลอผมก็เดินมาผมก็มาตั้งไกลแล้วหลวงพ่อยังไม่มาเลยเอา้าหลวงพ่อก็เดินมาด้วยกันอยู่แล้วมองอะไรมันมองแบบลึกลับมันไม่ใช่เดินดินไปด้วยกันกินข้าว ก, กินด้วยกัน ผ่าลนผ่านหนาวไปด้วยซัำ น, นี่ปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่หลบซ่อนมันเป็นของจริ ง, งเห็นจริงริงละความทุกข์ก็ละได้จริ ง, งละความโกรธความโลภ ค, ความหลงไม่วิตกกัง ว, วลความพยาบาทพวกเนี้ยมันก็ไม่เวลาเกลี้ยนไปเลยเนี่ยนะปฏิบัติธรรมให้มันเกลียงไปเลย บริสุดไม่มีอะไรที่มีกินแหนงแข่งใจในชีวิตเราเห็นใครเห็นใครในไรก็ไม่ได้มีอะไรเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนเขามีอะไรในโลกนี่มีนินทาสรรเสริญหรือไม่ได้มีเสียมีสุขมีทุกข์หมอกเป็นสมบัติของโลกธรรมาชาติของ เราก็ลอยมาได้ทนมาได้แต่จิิงเรานี่มันยังมีอยู่พรามันเป็นโลกมันมีอยู่ประสาทโลกก็ติดด้วยอารมณ์ของกรรมาฐานมันก็เห็นไปอย่างนี้เลยนินทาก็ยังมีอยู่สรรเสริญก็ยังมีอยู่ได้เสียก็ยังมีอยู่สุขทุกข์ก็ยังมีอยู่ แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานินทาเป็นเรื่องของนินทา ส, สรรเสิญเป็นเรื่องของสเสริญเสินได้เป็นเรื่องของได้เสียเป็นเรื่องของเสียมันเป็นอย่างนั้นสุขมันเป็นเรื่องของสุขทุกข์มันเป็นเรื่องของทุกข์เราจะไม่อยู่ตรงนั้นแ่วอารมณ์คงกรรมถาแล้วไปอยู่ต่ำๆทำไมโลกเขาไม่แบบนด้ น, น <c oughs> ่าไปห้ามเขามันไม่ได้ลนะ่ะห้ามไม่เขาเนนทาห้ามไม่เขาเสริญเสริญมันไม่ได้แต่ว่าสมบัติของโลกมันเกิดมาอย่างนี้โลกเล้วยแล้วก็มีสมมติโอ้ยไปเห็นสมมตินี่อัดทเหมือนกับเขาไปเป่าฝุน่น หมอกกองฝุ่นมันยึดหอกกองพอถูกลงนิดหน่อยออก็พังออกคือฝุ่นพังออกพังออกพังออกพังออกแต่เปรียบเทียบมันพังออกมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์แต่ตอนมันยึดอยู่ในนั้นการทำปฏิบัติธรรมนะ มันต้องมียะไลเปลี่ยนไปในจิตนิสัยไม่ต้องไปบรรลุธรรมที่จะต้องโอ้ยสว่างสวัยกําคืนแสงสวา่างเดินไปไหนไม่ต้องให้แสงไปไม่ใช่อันนั้นมันเป็นนิมิตะอย่าไปหลงมีบางการบางคนก็เป็นนิมิตแบบนั้นของคนไปพูดในฟัง ในเด็กมุ่งปฏิบัติธรรมหลวงพ่อไปสอนธรรมที่เมืองการกติของเขากติกับเขาอยู่กติหลวงพ่ออยู่มันไกลกันเขาปฏิบัติธรรมเราเขาเกิดแสงสว่างแล้วก็เขาก็เดินมาหาหลวงพอ่อแสงสว่างก็ยังยังครอบเขามาทำให้เขาเห็นทางไปเดินไปหาหลวงพ่ออย่างไม่ต้องมีไฟฉาย แล้วหลวงพ่อก็จุดตะเกียงมันเป็นป่าเขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องจุดตะเกียงผมมีแสงสว่างแล้วบองท่านเดี๋ยวหลวงพ่อก็ไม่เห็นหลวงพ่อต้องจุดตะเกียงคุยกันอมันอรันมันเป็นนิมิตมันเป็นแสงสวาง่างโอภาสแสงสว่างมันเป็นอารมณ์ของนิมิต เปนอารมณ์ของวิปัสสนูก็ได้อันนั้นไม่ใช่แต่ไม่ได้ว่าตัวเองบรรลุธรรมถ้ามันเกิดอย่างนั้นนะมันเป็นนิมิตแล้วการบรรลุธรรมต้องพ้นจากความหลงพ้นจากความทุกข์พ้นจากความโกรธพอมีศีลมีสมาธิมีปัญญานกะ็มีศีลก็มีบรรลุธรรมขั้ น, นคนสมาธิคนมีสมาธิก็เป็นการบรรลุธรรมขั้นนั้น ความวิปัญญาโยกตนออกจากทุกความมีการเป็นการบรรลุธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้การบรรลุธรรมฉลาดกลัวเก่าแต่ก่อนมาโง่แบบนี้มันฉลาดนี่เราบรรลุธรรมแต่ก่อนมันหลงแบบนี้มันไม่หลงเแต่ว่าบรรลุธรรมแต่ก่อนเคยโกรธแบบนี้มันไม่โกรธเป็นการบรรลุธรรมมันร้อนใจนะแตี้มันเย็นแล้วคือบรรลุธรรม มันต้องเป็นธรรมนองนี่นะอย่าไปเอาอะไรลิทธิปฏิหารศาสนาก็คือเราเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีกายก็ทําแต่ความดีมีใจก็ทําแต่ความดีมีวาจาก็พูดแต่ความดีจะคิดก็คิดในทางที่ดีดีจะทําก็ได้ทางแต่ความดีไม่ให้เป็นภาระไม่เป็นคนอื่นเป็นทุกข์ก า, า, ารบารลุธรรม ศาสนาคือคนคนเป็นคนดีแต่มีบุญกับคนนั้นเป็นคนใจดีแล้วรู้ผิดรู้ถูกแล้วความชั่วทําความดีแล้วเ่าเป็นคนมีศาสนาเป็นคนมีบุญใจดีกว่าเก่าไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่วิตกกงังวลใจเขาดีแล้วจะมีกี่วันกี่เดือนเขาใจเขาก็ดีแล้วจะมีกี่นาทีวินาที ไปใจคนรลายคนดีคนไม่บุญไปใจก็ดีคนฉลาดก็คือคนมีกุศลคือเขาฉลาดแล้วไม่งูคนมีปัญญาก็ยกตนออกจากความทุกข์เป็นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผลส่งผลส่งให้พ้นจากห่วงเหงิวพ้นจากาห่วงน้ําคือกิเลสตัณหาไม่ต้องแหวกต้องไหว ควาทุกมันก็มุดลงไปในห้องน้ํามุดลงไปคนที่อยู่ในห้องน้ําต้องลอยต้องรอคอยต้องแหวดต้องมดุดคนที่ขึ้นฝั่งก็ไม่ต้องมุดอีกแล้วคนจากห้องน้ําเนี่ปฏิบัติธรรมนะคนนั่งอยู่บนฝั่งคนลอยอยู่ในน้า แ้วเขาก็สนุกนะสลลอ ย, อยู่ในน้ำโบรานท่านว่าตุ่มเตอือนวังเวินเตือนเตือนหนุ่มสาวตีกองนา้าวังเวินเตือนเมีเจ้าเอินตัวเจ้ากับผเหลดียวจะได้ยินไหมนคนท่ากลางมาเคยได้ยินนะอันนี้เป็นธรรมเนียมของคนอีสานกองหน้าก็คือลูกรถกินเสี่ยงหนุ่มสาวตีกองหน้า ตมือในลูกลสกลิ่นเสียงมุดอยู่นั่นแหละจม อ, อยู่ในลูกในลดในกลิ่นในเสียงแม่ก็คือพระธรรม <c oughs> พระธรมะรมเลียกไม่มาแม่เจ้าเอื่นตัวเจ้าผู้เลียวมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่จำเป็นรู้ เธอทงที่ไหนไปที่นั่นดีสีที่เปู่ที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นลาที่ไหนไปที่นั่นแม่คือพระธรรมไม่จําเป็นลูกเอ้ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาตื่นแต่ดึกสึกแต่นมบรรลุธรรมตั้งแต่อายุสิบปียี่สิบปีปจะมีความสุขไปนานถ้ายกไข ถ, ถึงเจ็ดสิบแปดสิบปี จะมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไปนานเสียเวลาเกี่ยวกับความโลภของโกรธความหลงเสียเวลาอยู่กับกิกล เ, วเวลสตัณหามันไม่มีอลไรมันขั่วน้วนําเหลวอะไรนะพอเป็นคนหนุ่มพอเป็นคนแก่ก็เอาแล้วผ่านมาแล้วอ๋อประสาทเนาะผ่านมาแล้ว ไม่ต้องมาหลอกกันอีกแล้วลวะเนี้เราก็แค่นั่นเองแค่นั่นเองเป็นแค่นั่นเองเหมือนอาจารย์พุทธทาสว่านี่ะปฏิบัติธรรมปไปอย่างนี้ลหละไปดีวิเศษอะไรวิเศษก็คือพ้นลูกลู่พ้นภาะวะเก่าือวิเศษนำไปสู่ ความวิเศษคือความไม่โลกไม่กดไม่หลงความไม่ทุกข <c oughs> ์นี่เท่านี้เราเชี่ยงอยากหลงแต่หลงทางแต่ไปเห็นอะไรที่มันติดติดสุขติดสงบติดลู้ติดปิดตินั่งคืนนินาำายตัวเองอิม่มแซบนะเคยเป็นนัหลงคอหนั เป็นน้ำลายตัวเองไนี่แสบแสบไปกินข้าวก็ได้นะมันเป็นปิติไปแล้วต้องกินข้าวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะแล้วขอวโพเทียนเนี่ยเป็นโรคกระเพาะตอนที่จะเอากลางคืนมาเป็นกลางวัน เอากลางวันมาเป็นกลางคืนกลางคืนเขานอนเราจะทำความเพียรกลางกลางวันเขาทํางานเราจะนอนมันก็เพี้ยนไปงงไปเลยมาหลวงพ่อไปประเทศสหรัฐกลางคืนของเขาเป็นกลางวันของเรากลางคืนหิวข้าวเลยหลวงพ่อเออ ไปกันคืนอสามสี่ทุ่มน่ะสองสามทุ่งน่ะมุข้าวสองสามทุ่มเนี่ยเป็นเวลาเราฉันข้าวใช่ไหมนี่มันเป็นสองทุ่มโงเขาต้มกันข้าวหิวข้าวอะไรไปนอนไม่หลับเพราะกลาวันของเขาเนี่ยโอ้ยง่วงอะไรไปนะโอ้ปวที่จะตับได้ม่งไปเลยมึงหัวมันห ไม่ต้องมาดัดแปลงมันแต่ไหนแต่ว่ามันก็กินน้มแล้วก็หิวข้าวกําวันเองง่วงซึมไม่อยากกินข้าวนะมันอยากนอนเดินไปไหนก็บเบาเบาวิววิวใช่ไหมลองดูซิงคืนเดี๋ยวต้องลองดูซินั่งเดินไปมันเบาเบเบาตัวลอยลอยซึมซมนะ่ะ มไม่ไม่ใช่ ต, ต, <Gym. S 1> <klim to> ต้องกินข้าวบางวันของเราวันดีแล้วสองโมงเช้าเรากินข้าวเลยอย่าไปอดไม่หิวก็ต้องกินหัดต้องลุกต้องกระลุกต้องลุกต้องกระนอนก็นอนเวลาถ่ายก็ถานหัดนอนหัดตื่นหัดถ่ายตีสามตีสองตีสามไนถ่ายแล้ว เสรจะมาถ่ายแล้วข้อห้องน้ำแล้วสดชื่นแล้วแล้วกันวันไม่ต้องมีภาระเดินทางไปไหนไปไนะแตาเราหัดเรานะอานนี้สงไหโอ้ยหลายประการ